1นึปฏิสัวัตทุกตาปฏิว่าด้วยการต้องอบัติทุกกดเพราะรับคําเรื่องพระอุปนันท h เข้าจบรรษาในอาวาสสองแห่งสองสมัยนั้นท่านพระอุปนันท h a สกยบุตรได้รับคํากับพระเจ้าประเสนที่โกศลว่าจะเข้าจะรรษาในวันเข้าพรรษาต้นท่านกําลังไปอาวาสนั้นระหว่างทางได้เห็นอาวาสสองแห่งมีจีวรมาก แล้วได้มีความคิดดังนี้ว่าถ้ากระไรเราพึงเข้าจะบรรญสาในวาดสองแห่งนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นจีวรเป็นนั้นมากจะเกิดขึ้นแก่เราจึงเข้าเจริญสาในวาดสองแห่งนั้นพระเจ้าประเสิทธิโกศลทรงตำหนิประนามโพลทนาว่าฉะนั้นพระคุณเจ้าอุปนันทสกยบุตรได้รับคำต่อเราว่าจะเข้าจะบรรญสาแล้วจึงได้ทําให้ขาดจากคาพูดเสียเล่าถ้าผู้มีพระภาคทรงตำหนิการกล่าวเท็จ การสรรเสริญการงดเว้นจากการกล่าวเท็จโดยประการต่างๆมิใช่หรือภิกษุทั้งหลายได้ยินพระเจ้าเปรตที่โกศลตําหนิประนามโพลธนาอยู่บรรดาภิกษุผู้มักน้อยพา ก, กันตําหนิประนามโพลธนาว่าฉะนั้นท่านพระอุปนันทะสกยตบุตรได้รับคํากับพระเจ้าเปรตที่โกศลว่าจะเข้าจัมมันสาแล้วจึงได้ทําการคลาดจากคําพูดเสียเล่า พระผู้มีพระภาคทรงตำหนิการกล่าวเท็จทรงสรรเสริญการงดเว้นจากการกล่าวเท็จโดยประการต่างๆมิใช่หรือจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอุปนันท飒กยบุตรว่าอุปนันท飒ทราบว่าเธอได้ถวายปฏิญญาต่อพระเจ้าเปรเ์เซนที่โกศลว่าจะเข้าจะบรรษา แล้วทําให้คลาดจากคําพูดเสียจริงหรือท่านพระอุปนันทสักระยบุตรทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าฆ่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตําหนิว่าโมฆะบุรุษจะไหนเธอได้ถวายปฏิญญาต่อพระเจ้าประเสที่โกศลว่าจะเข้าจำมัรษาแล้วทําให้คลาดจากคําพูดเสียเล่าเราตําหนิการกล่าวเท็จสันเริญการงดเว้นจากการกล่าวเท็จโดยประการต่างๆไม่ใช่หรือ การกระทําอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสครั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมีกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า207ภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุรับคําไว้ว่าจะเข้าจำพรรษาในวันเข้าพรรษาต้นภิกษุนั้นกําลังไปอาวาตนั้นระหว่างทางได้เห็นอาวาตสองแห่งมีจีวรมากแล้วได้มีความคิดดังนี้ว่า ถ้ากระไรเราเพิงเข้าจะบรรษาในาวาดสองแห่งนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นจีวรเป็นมากจากเกิดขึ้นแก่เราแล้วเข้าจะบรรษาในาวาดสองแห่งภิกษุทั้งหลายวันเข้าบรรษาต้นของภิกษุนั้นไม่ปรากฏและเธอต้องอบัตทุกขดเพราะรับคําภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุรับคําไว้ว่าจะเข้าจะบรรษาในวันเข้าพรรษาต้นภิกษุนั้นแปลวาานั้นทําอุโบสถกรรมภายนอก ถึงวันแรมหนึ่งคำจึงเข้าวิหารจัดเสนาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้กวาดบริเวณไม่มีกิจจำต้องทาหลีกไปในวันนั้นทีเดียวภิกษุทั้งหลายวันเข้าภรรษาต้นของภิกษุนั้นไม่ปรากฏและภิกษุนั้นต้องอาบัตทุก์กดเพราะรับคำภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุรับคาไว้ว่าจะเข้าจาพรรษาในวันเข้ารรษาต้นภิกษุนั้นแปลว่านั้นทาอบสดกรรมภายนอก ถึงวันแรมหนึ่งคำ่ำจึงเข้าวิหารจัดเสนาสนะตั้งน้ําฉันน้ําใช้กวาดบริเวณมีกิจจําต้องทําหลีกไปในวันนั้นทีเดียวภิกษุทั้งหลายวันเข้าพรรษาต้นของภิกษุนั้นไม่ปรากฏและภิกษุนั้นต้องอบัตทุกดเพราะรับคําภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุรับคําไว้ว่าจะเข้าจำพรรษาในวันเข้าพรรษาต้นภิกษุนั้นแปลาว่า น, นั้นทํำบูบูสดกรรมภายนอก ถึงวันแรมหนึ่งค่ำจึงเข้าวิหารจัดเสนาสนะตั้งน้ําฉันน้ําใช้กวาดบริเวณพักอยู่สองสามวันไม่มีกิจจำต้องทําหลีไปภิกษุทั้งหลายวันเข้าพรรษาต้นของภิกษูนั้นไม่ปรากฏและภิกษุนั้นต้องอบัตทุกกฎเพราะรับคําภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุรับคําไว้ไว่าจากเข้าจัมปร n s a ในวันเข้าจรรษาต้นภิกษุนั้นแปลว่า น, นั้นทําอุโบสถกรรมภายนอก ถึงวัดแรมหนึ่งค่ำจึงเข้าวิหารจัดเสนาสนะตั้งน้ําฉันน้ําใช้กวาดบริเวณพักอยู่สองสามวันมีกิจจําต้องทำหลีไปภิกษุทั้งหลายวันเข้าบรรษาต้นของภิกษุนั้นไม่ปรากฏและภิกษุนั้นต้องบัตรทุกกเพราะรับคําภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุรับคําไว้ว่าจะเข้าจเจรรษาในวันเข้าบรรษาต้นภิกษุนั้นไปอาวาตรนั้นทําอุโบสดกรรมภายนอก ถึงวรแรมหนึ่งค่ำจึงเข้าวิหารจัดเสนาสนะตั้งน้ําฉันน้าใช้กวาดบริเวณพักอยู่สองสมวันลีกไปด้วยสตตากรณียะอยู่ภายนอกพ้น7วันภิกษุทั้งหลายวันเข้าบรรษาต้นของภิกษุนั้นไม่ปรากฏและภิกษุนั้นต้องอบัตรทุกกฎเพราะรับคําภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุรับคําไว้ว่าจะเข้าจำพรรษาในวันเข้าบรรษาต้นภิกษุนั้นแปลาว่านั้นทำํำโมบสถกรรมภายนอก ถึงวัดแรมหนึ่งคำ่ำจึงเข้าวิหารจัดเสนาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้กวาดบริเวณพักอยู่สองสามวันหลีกไปด้วยสัตตหกรณียะกลับมาภายในเจ็ดวันภิกษุทั้งหลายวันเข้าบรรษาต้นของภิกษุนั้นปรากฏและภิกษุนั้นไม่ต้องอาบัติเพราะรับคําภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุรับคาไว้ว่าจะเข้าจำพรรษาในวันเข้าบรรษาต้น ภิกษุนั้นแปลว่านั้นทำบูบูสดกรรมภายนอกถึงวันแรมหนึ่งค่ำจึงเข้าวิหารจัดเสนาสนะตั้งน้ําฉันน้ําใช้กวาดบริเวณอีก7วันจะถึงวันประวรตนามีกิจจําต้องทําหลีกไปภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นจะกลับอาวาสนั้นหรือไม่กลับมาก็ตามภิกษุทั้งหลายวันเข้าภาษาต้นของภิกษุนั้นปรากฏและภิกษุนั้นไม่ต้องอบัติครอะรับคําภิกษุทั้งหลาย อันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุรับคําไว้ว่ า, จ, า, าจะเข้าเจมรรษาในวันเข้าบัญสาต้นภิกษุนั้นแปลว่านั้นทำโมโบสถกรรมภายนอกถึงแรมหนึ่งค่าจึงเข้าวิหารจัดเสนาสะนะตั้งน้ําฉันน้ําใช้กวาดบริเวณไม่มีกิจจําต้องทําหลีกไปในวันนั้นทีเดียวภิกษุทั้งหลายวันเข้าบรรษาต้นของภิกษุนั้นไม่ปรากฏและภิกษุนั้นต้องอบัตทุกขกฎเพราะรับคํา ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุรับคําไว้ว่าจะเข้าจําพรรษาในวันเขา้าพรรษาต้นภิกษุนั้นไปวาดนั้นแล้วทําอุโบสถถึงวันแรมหนึ่งค่ำจึงเข้าวิหารจัดอาสนะตั้งน้ําฉันน้ําใช้กวาดบริเวณมีกิจจําต้องทําหลีกไปพักอยู่สองสามวันไม่มีกิจจําต้องทําหลีกไปพักอยู่สองสาวันมีกิจจําต้องทําหลีกไปพักอยู่สองสามวัน หลีกไปด้วยสัตหากรณียะอยู่ภายนอกพ้น7วันภิกษุทั้งหลายวันเข้าภาษาต้นของภิกษุนั้นไม่ปรากฏและภิกษุนั้นต้องอบัตทุกกฎเพราะรับคําพักอยู่สองสามวันหลีกไปด้วยสตหากรณียะกลับมาภายในเจ็วันภิกษุทั้งหลายวันเข้าบรรษาต้นของภิกษุนั้นปรากฏและภิกษุนั้นไม่ต้องอบัตเพราะรับคําภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ ภิกษุรับคำไว้ว่าจะเข้าจำรรษาในวันเข้าพรรษาต้นภิกษุนั้นแปลาว่านั้นทำอุโบสถกรรมถึงวันแรมหนึ่งค่ำจึงเข้าวิหารจัดเสนาสะนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้กวาดบริเวณอีกเจวันจะเป็นวันตวรณามีกิจจำต้องทำหลีไปภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นจะกลับมาอาวาานั้นหรือไม่กลับมาก็ตามวันเข้าพรรษาต้นของภิกษุนั้นปรากฏและภิกษุนั้นไม่ต้องอบัติเพราะรับคำ